เดินร้อนนะกลางคืนนอนหนาวอันนี้เป็นรสชาติอย่างหนึ่งของธรรมญาติตราแล้วก็เป็นแบบฝึกหัด ส, สาหรับพวกเราไปด้วยในตัวอาการหนาวอย่างนี้นะให้หนาวแต่กายนะอย่าปล่อยให้ใจหนาวไปด้วยหรือว่าถ้าใจหนาวก็ให้รู้นะว่า ใจมันหนาวใจมันทุกข์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ไปคิดแต่ว่ามันหนาวกายจะไม่ค่อยได้เห็นความหนาวของใจหรือไม่รู้ว่าใจมันหนาวใจมันทุกข์ด้วยซ้ํามันเหมือนกับเวลาเรานั่งนานๆ น, น, นะแล้วเปวดขาเนี่ย เคยถามคนที่นั่งภาวนาหรือนั่งฟังนานๆนนเป็นชั่วโมงๆถามว่าทุกข์ไหมก็ตอบว่าทุกข์ถามก็ว่าทุกข์ที่ไหนก็บอกทุกข์ที่ขานะขาปวดขาเมื่อยถามก็ว่ามันแค่นั้นเหรอก็ตอบว่าแค่นั้นนะ่ะ ไม่แค่นั้นนแค่เด็เเจอแล้วเขาบอกเราไม่เห็นเลยว่าใจมันทุกข์ด้วยใจมันทุกข์นะแต่ไม่สังเกตใจทุกข์ก็คือว่ามันมีความหมงุดหงิดมันมีความไม่พอใจแสดงอาการออกมาด้วยความรู้สึก หรือมีความคิดขึ้นมาว่าเมื่อไร่มันจะลุกสักทีเมื่อไรจะเสร็จสักทีงั้ฉันจะได้ขยืดขยับขาสักทีในชะนอมเดียวกันนะแต่ตอนนี้ถ้าเราสังเกตนะว่ากายมันทุกอย่างเดียวหรือว่าใจมันทุกด้วยถ้าใจทุกก็แปลว่าใจก็หนาวด้วย <c oughs> มีความไม่พอใจมันบ่นลึกๆเอาโอ้ทาไมมันหนาวแบบนี้เมื่อไหรจะสว่างสักทีอันนี้แหละคืออาการของใจในยามที่มันทุกข์ในยามที่มันหนาวอันั้นถเราปล่อยให้ใจมันหนาวนะอันนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองมันเพราะว่าหากแค่หนาวกายก็พอแล้วนะแค่ปล่อยให้ใจหนาวไปด้วย ที่จิงอากาศหนาวเนี่ยนะมันก็แค่กระทบกายแต่มันไม่ได้กระทบใจนะอากาศหนาวเนี่ยมันกระทบแค่กายแต่ว่ามันไม่ได้กระทบใจตันใจทำไมจิงหนาวทำไมจิงทุกข์เคยสังเกตไามถามตัวเองถ้าใจมันหนาวก็ลองนะเห็นปฏิกิริยาหรือความรู้สึกของใจ ต่อความหนาวที่เกิดขึ้น้ดีใจคงไม่มีนะมีแต่ไม่พอใจอ่าก็เห็นมันเรีว่าเห็นความหนาวก็ได้อย่าเป็นผู้หนาวเมื่อเช้าเมื่อก่อนที่จะมีการทําวัดนะีหลายคนก็คงได้ฟังคําบรรยายคําเทศของหลวงพ่อคำเขียนยมีตอนหนึ่งด้านเล่าว่าได้ไปเจอนักปฏิบัติคนหนึ่งซึ่งหน้าตาบูดบึง้ง นะปฏิบัติไปก็บวดบื้อไปท่านก็ถามว่าเป็นยังไงก็ตอบว่าหนูเครียดมากหลวงพ่อท่านตอบว่าการนับปฏิบัติเนี่ยตอบแบบเี่ยังตอบไม่ถูกนะให้ตอบใหม่แล้วสุดท้ายเขก็ตอบว่าหนูเห็นมันเครียดนะหนูเห็นมันเครียดหลวงพ่อก็เลยตอบว่าเออ ตอบเนี้ยถูกแนละ้วหนูเครียดมากกันหนูเห็นมันเครียดเนะอันนี้มันไม่เหมือนกันนะไอ้หนูเครียดมากคือหนูเป็นผู้เครียดไปแล้วอันนี้เราเข้าไปเป็นแต่หนูเห็นมันเครียดเนี่ยนะก็คือว่าไม่ใช่ผู้เป็นแต่เป็นผู้เห็นนะมันให้ความรู้สึกต่างกันด้วยหนูเครียดมากเนี่ยโอ้มันมันทุกข์อะ แต่หนูเห็นมันเครียดเนี่ยนะความทุกข์จะเบาบางลงหููเห็นความเครียดนะเหมือนกันผู้เห็นกับผู้เป็นมันต่างกันนะเราถ้าเราปล่อยให้ใจมันรู้สึกว่าฉันหนาวฉันหนาวเนี่ยโอ้เราจะทุกข์มากแต่ถ้าเราเห็นความหนาวนะหรือเห็นใจมันหนาว ออันนี้แหละที่ใจจะเริ่มกลับมาเป็นปกติเพราะทันทีที่เราเห็นมันหนาวเห็นความหนาวหรือว่าเห็นใจที่มันหนาวความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นะความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นและพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยในการบ่นโวยายตีโพยตีพายว่ามันหนาวก็จะน้อยลง อันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะให้เราลองนะลองทำดูในยามที่เจอความหนาวแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกับความเจ็ความปวดนะหรือความเหนื่อยความเมื่อยในระหว่างที่เราเดินตอนกลางวันกลางวันเดินร้อนกลางคืนนอนหนาวนะตอนกลางวันนี่มันเปลี่ยนจากหนาวเป็นร้อนนะ ก็ให้เห็นนะว่าใจมันทุกข์ไห ม, นะมเวลาเจอแดดร้อนแดดร้อนมันกระทบกายก็สมควรแล้วที่กายจะร้อนแต่แดดร้อนมันไม่ได้กระทบใจเลยนะแล้วทาไมใจถึงร้อนใจถึงเป็นทุกขนะ์อันนี้เป็นเพราะอะไรนะถ้าจะว่าไปก็อตอบว่าเป็นเพราะความหลงนะ ไม่รู้สึกตัวพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าลองสังเกตไปเรื่อยๆจะเห็นด้ว่าพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันร้อนแต่กายนะใจไม่ร้อนใจไม่ทุกมันทุกแต่กายใจไม่ทุกยกฝึกความรู้สึกตัวนะทำความรู้สึกตัวดูนะเวลาที่มันหนาวเออกายมันหนาวถ้าไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ใจมันก็หนาวด้วย มันจะเผลอบน่นเวลาใจรู้สึกตัวเนี่ยมันอาการอย่างที่มนันแสดงออกมาคือมันบนมันวยวยมันตีโพตีพายมันไม่พอใจแค่คิดแบบนี้แหละนะแค่รู้สึกแบบเนี้ยมันก็เป็นทุกข์แนละ้วแต่ถ้าใจเรากลับเป็นปกติดูใจเรายอมรับได้เออหนาวก็หนาวไปหนาวก็หนาวไปมันธรรมดาเี่ หรือก็ อ, อาจาจะดึกในใจว่าเออหนาแบบหนาวแค่นี้ไม่ตายหรอกไ อ, อ้ความคิดแบบนี้ไม่ทําให้ใจเนี่ยเริ่มยอมรับได้ใจไม่ผักใสใจไม่ผักใส่พอใจไม่ไม่ผักใสใจไม่ดิ้นเนี่ยความทุกข์ก็หายไปเพราะความทุกข์มันเกิดจากใจที่มันดิน้นมันผักใสจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดไปอ่า ให้ความทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากอากาศหนาวแต่เกิดจากใจที่ไม่ยอมรับความหนาวาใจที่ผักใสนะความหนาวนะถ้าทุกข์กายหนาวกายเนี่ยอันนี้ตอบได้เลยว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอากาศหนาวอากาศหนาวมันกระทบตัวนะกระทบกายกายก็หนาวกายเป็นทุกขนะ์อันนี้ธรรมดาแต่ว่า อาการหนาวมันไม่ได้กระทบใจแล้วทําไมใจเป็นทุกข์เพราะใจไม่ยอมรับใจผักใสอันนี้คือตัวการตัวสาเหตุเปลี่ยนจากใจที่ผักใสนะ่เป็นใจที่ยอมรับกว่ามันเป็นธรรมดาว่ามันเป็นเช่นนั้นเองว่าเออดีนะเี่ยที่มันไม่หนาวไปกว่า น, นี้หรือว่า หนาวแค่นี้ไม่ตายหรอกอใจมันหยุดดินเลยใจมันยอมรักคนเราเนี่ยนะเราไม่ค่อยสังเกตใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกข์ใจเราก็มักจะไปโทษสิ่งภายนอกแต่เราสังเกตดูใจของเราเนะเราจะพบว่าอ๋อเนี่ยคือตัวการ <c oughs> เห็นมันซะนะเห็นมันเนี่ยอย่าเข้าไปเป็น ไอ้ ย, อยางที่เราสังเกตนะลองสังเกตดูนะหลายคนที่รู้สึกว่าใจเป็นทุกข์เพราะความหนาวลองสังเกตนะว่าใจเนี่ยนะมันจะคอยไปจดจ้องไปจดจออยู่บริเวณที่หนาวอาจจะเป็นใบหน้าฝ่ามือนะหรือว่าถ้าเป็นพระกลายเป็นนะหัวไหล่มันแปลกไหม เอาอีกส่วนอื่นนะของร่างกายเนี่ยที่มันอุ่นเนี่ยใจมันไม่ไปสนใจนะมันไม่จดจ่อนะทั้งที่ส่วนที่อบอุ่นเนี่ยนีมีหมวก ป, ปกคลุมมีผ้าห่มเนี่ยมันต 80% หรือ 90% ของร่างกายนะไอ90้ 90% ของร่างกายที่อุ่นเนี่ยใจมันไม่ไปสนนะมันไปสนไอ้ตรงที่มันหนาว ซึ่งอาจจะมีเพียงแค่สิบเปอร์เซ็น์แล้วพอไปสนไอ้สนที่มันหนาวเนี่ยจะเป็นไงใจมันก็ทุกข์ทำไมไม่ไปสนไอ้ตรงที่มันไม่หนาวอ่ะเรียกทำไมที่มันตรงที่มันอุ่นนะ่ะเคยถามใจหรือเคยสังเกตใจไหมอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรนะเป็นใจที่หาเรื่องไหมเป็นใจที่หาทุกข์ใส่ตัวไหมเรียกอย่ันว่าเป็น จิตที่ชอบมองลบนะไอ้ส่วนที่เป็นสุขไม่สนสนแต่ส่วนที่มันเป็นทุกข์ทั้งที่มันเป็นแค่ส่วนเล็กๆสิบเปอร์เซนอันนี้เราเจิตนะที่ชอบมองลบนะไม่ใช่จิตที่มองบวกแล้วเราก็เป็นอย่างนี้นะกับทุกเรื่องหรือถ้าทุกเรื่องนะเราสนใจสิ่งที่เราไม่มีไอ้สิ่งที่เรามีเยอะแยะนี่เราไม่สน เด็กเนี่ยมีของเล่นเยอะแยะแทั้งตัวต่อเลโก้อาจจะมีตีต้ามีเครื่องเล่นเกมออนไลน์อาจจะมีกล้องมีวิทยุมีโทรทัศน์แต่เด็กก็ยังเป็นทุกข์เพราะว่าเด็กยังไม่มี iPad หรือ iPhone มีของเยอะแยะแต่ไม่สนมองไม่เห็นด้วยซ้ำพอใจไปจดจ่อยู่กับไอ้สิ่งที่ยังไม่มีนะไปห้างเห็นนั่นเห็นนี่ฉันยังไม่มีเด็กเป็นทุกข์เลยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเวลาไปห้างเนี่ยนะดูเหมือนไปไปเที่ยวแต่ไปแล้วมีความทุกข์เพราะว่ามันเห็นแต่สิ่งที่ฉันยังไม่มี บางคนมีรองเท้าเนี่ยร้อยคู่นะเสื้อสามร้อยตัวก็ยังเป็นทุกข์เพราะเห็นเสื้อที่ตัวเองยังไม่มีหรือรองเท้าที่ยังไม่มีอันนี้เราว่ามองลบนะเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีไอ้สิ่งที่มีนี่มองไม่เห็นหรือมองข้ามอันใจเรานะมันถ้าเราไม่ไม่สังเกตนะ มันจะเป็นอย่างนี้คนเราทุกเนี่ยเพราะเรามองเห็นแต่สิ่งที่เราไม่มีให้สิ่งที่เรามีเยอะแยะกลับไม่สนใจให้บางทีกลับแม้กระทั่งเวลาที่เราได้นะเวลาที่เราได้พอเรามองไม่มองไม่เป็นนกักการมันการเป็นเสียไปมีครอบครัวคนหนึ่งนะ จะไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมแล้วก็พบกับความสงบจากการทำสมาธิเลยตั้งใจว่าเมื่อกลับไปบ้านเนี่ยจะหาเวลานั่งสมาธิให้มากขึ้ น, นไม่ใช่ให้มากขึ้นจะเพราะตก่อนไม่เคยนั่งเลยต่อไปจะหาเวลานั่งสมาธิทุกวันและแกก็ตั้งใจว่าเลิก ง, งานแล้วปิดร้านแล้ว แกก็จะนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงและพอแกกลับไปแกก็พยายามทำอย่างที่ตั้งใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมันมีอะไรต่ออะไรดึงดูดเวลากับไปเยอะแต่แกก็พยายามนั่งวันจันทร์ก็นั่งได้องคารก็นั่งได้วันพุธก็ยังนั่งอยู่วันพฤหัสก็ยังนั่งแต่พอถึงเย็นวันศุกร์นั่งไปสักพักเราก็มีเสียงเจ้าจ้า เด็กเนี่ยมาเล่นบอลกันเล่นฟุตบอลกันหน้าร้านแกมันเป็นถนนโล่งไม่ค่อยมีรถเด็กก็มาเล่นบอลกันสมัยตะมาเด็กๆเนี่ยก็เล่นบอลกันบนถนนนี่แหละหรือไม่ก็เล่นบอลบนฟุตบาทนี่แหละนมันไม่มีสนามไอ้เรื่องนี้มันก็มาสามสิบสี่สิปีนะเด็กเล่นบอลส่งเสียงเจ้วเจ้าพ่อค้าก็เลยนั่งสมาธิไม่ได้หดหงิด ทีแรกก็คิดว่าจะลงไปจะออกไปดา่าออกไปตะเพิดเด็กแต่สักพักก็ได้สติว่าเฮ้ึงุณทำอย่างนั้นเนี่ยเด็กก็คงจะหาทางตอบโต้แก้แค้นส่งเสียงดังมักมากขึ้นนะฉันรู้ว่าพอเข้ารือวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลนะต้องใช้วิธีอื่นแล้วทำยังไงเออก็ได้ความคิดมาเป็นวิธีตรงข้ามเลย ออกไปบอกเด็กว่าโอ้พอเด็กเล่นจบนะก็ พ, พวกหนูนี่เล่นบอลอย่างมีความสุขมากลุงก็พลอยมีความสุขไปด้วยทำให้นึกถึงสมัยที่ลุงยังเป็นเด็กนะพวกหนูทำให้ลุงนี่กลับมามีชีวิตชีวานะขอบคุณมากมากเลยเอาไปคนละร้อยอลเด็กดีใจครับ สุขหน้ามาใหม่อนะที่จริงเด็กมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะั้นมันแต่ว่าคราวนี้รอเลยนะสุกหน้าเด็กมาเนี่ยพ่อค้าก็ออกไปหาเด็กนะก็พูดเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้บอกว่าเนี่ยวันนี้ขายไม่ค่อยดีนะเอาไปคนละห้าสิบแล้วกันนะเด็กก็ยังยิ้มอยู่นะอันที่หน้ามาใหม่นะ พ่อค้าก็ออกไปพูดว่าเนี่ยก็พูดเหมือนเดิมนะแต่ครั้งี้บอกว่าเนี่ยลูกค้าไม่มีเลยนช่วงอาทิตย์นี้นะขายไม่ค่อยได้เอาไปโทรศัพทก็แล้วกันนะเด็กเป็นไงเด็กไม่พอใจแล้วเด็กไม่พอใจรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะนี่กูไม่มาแล้วอาทิตย์สุกหน้าเด็กไม่มาแล้วพ่อค้าก็เลยนั่งสมาธิสบายเลยเด็ก ไม่พอใจนะที่ได้สิบบาททั้งที่แต่ก่อนเนี่ยนะก็มาทุกสูงนะก็เล่นไม่ได้เงินนะแต่เด็กก็มาใช่ไหมเพราะเด็กสนุกนะแทที่เด็กจะคิดว่าเออได้สนุกด้วยนะแล้วก็ได้สิบบาทด้วยใล้งั้นมาดีกว่านะเด็กไม่คิดแบบนี้เด็กคิดว่าฉันน่าจะได้มากกว่านี้นะสองที่ก่อนได้ร้อยหนึง่งที่ต่อไปได้ห้าสิบ แทนที่เด็กจะคิดว่าฉันได้เงินสิบาทแล้วก็ได้สนุกด้วยเด็กกับคิดว่าฉันเสียเก้าสิบฉันเสียสี่สิบเพราะฉันน่าจะได้ร้อยฉันน่าจะได้เด็กคิดแบบนี้ฉลาดไหมได้สิบบาทบอกไม่เล่นแล้วไม่คุ้มค่าเนื้แทนที่เด็กจะคิดว่าฉันได้นะเด็กกับคิดว่าฉันเสียเด็กก็เลยไม่มาเนี่ ย, ยงพราะเราเป็นอย่างนี้บางด้ว่ยนะผู้ใหญ่ก็เป็นนะไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอย่างเดียวอย่างที่เคยแกตามานะเล่าหลายคยเคยได้ยินมาแล้วเพื่อตามาที่เป็นนักเล่นหุ้นเคยเป็นนักเล่นหุ้นนะก็ไปตลาดหุ้นอยู่ บ, บ่อยๆวันนึงไปเจอคุณป้าคนหนึ่งแกก็เป็นนักเล่นหุ้นเหมือนกันเล่นหุ้นก็นคื อ, ซ, อซื้อถูกขายแพงแกไปตลาดหุ้นแทบทุกวันเลย ไปคุยมาเขาบอกว่าคุณป้าเขาบอกเมื่อสามวันก่อนเนี่ยขายหุ้นไปตัวหนึ่งขายเป็นรถใหญ่เลยได้กําไรสิบล้านบาทเพื่อตอมาเขาเลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกยินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กําไรแล้วยี่สิบล้านเพราะหุ้นมันขึ้นเนี่ยเท่าตัวเลยคุณป้าได้สิบล้านนะคุณป้าไม่มีความสุขนะไม่ดีใจนะ ทำไมรู้มเพราะแกะคิดว่าแกเสียสิบล้านนะความคิดว่าฉันน่าจะได้ยี่สิบล้านเนี่ยมันทําให้แกไม่มีความสุขไม่ดีใจไม่ได้สิบล้านแกก็เลยคิดว่าแกเสียสิบล้านวันรุ่งขึ้นแกก็ไม่มาที่ตลาดทุนเพื่อทมาก็เลยไปถามว่าคุณป้าหายไปไหนไปถามมาร์เก็ตติ้งเลยได้คำตอบว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้ว ก็เครียดนะที่ได้แค่สิบล้านนะเด็กนะได้สิบบาทไม่พอใจนะไม่มาเล่นบอล น, นะคุณป้าได้สิบล้านป่วยไปตลาดทูดไม่ได้นะใครแย่กันนะก็เป็นงี้กันนะทั้งนั้นนะในหลวงป๊่ถ้าชอมมองลบนะได้คือเสี ย, ยงั่นการที่ใจงเรานี่นะ มันไปตดจออยู่ตรงไอ้บริเวณที่มันหนาวนะทั้งที่เป็นแค่สิบเปอร์ซ็นของร่างกายไม่สนใจส่วนที่มันอุ่นทั้งที่เป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่ามองลบนะไอ้ใจนี่มันชอบมองลบนะชอบไปจดจอส่วนที่เป็นทุกข์ไอ้ตรงไหนทุกข์นะมันยิ่งเข้าไปตดจอยิ่งเข้าไปคลอเคลียแต่ร่างกายเรา เราเคยสังเกตว่ามันทำตรงข้ามนะตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นทุกข์ตรงไหนที่ทำให้เจ็บให้ปวดเนี่ยมันยิ่งถอยหนีเวลาขาเราเนี่ยนะไปเหยียบกรวดหรือมือเราเนี่ยไปถูกน้ำานี่นะอย่างที่เราอาจจะได้เจ อ, อบ่ายนี่หรือว่าเช้านี่นะ พอมือพอมือเราเนี่ยไปถูกน้ํานะมือมันทํำยังไง ร, รีบชักมือออกมาทันทีเลยพอเท้าเราเนี่ยนะไปเหยียบกรวดหรือเหยียบของแหลมนะสมมติเราเดินเท้าเปล่านะเรายั้งเท้าทันทีแล้วเราดิบดิบดึงเท้าออกมา <c oughs> เวลามือเด็กนะไปถูกเปลวเทียนนะเห็นเปลวเทียนสวยเอามือไปจิ้มนะมันร้อนนะ เด็กรีบชักมือออกมาเลยชักนิ้ว อ, ออกมาเลยใช่ไหมกายของเราเนี่ยนะถ้ามันเจอทุกที่ไหนเนี่ยมันรีบถอยมันรีบหนีออกมาทันทีเลยแต่ใจเนี่ยนะไอ้ตรงไหนทุกข์นี่มันยิ่งเข้าไปคอเคียนะตรงไหนหนามจะเข้าไปคอเคียคอเคียรตรงไหนปวดตรงไหนเมื่อยนะใจมันจะเข้าไปจดจอมากเลยไอ้ส่วนที่ไม่ปวดไม่เมื่อยนะใจไม่ไปจดจ่อนะ ส่วนที่มันสบายไม่จดจอไม่ไปตดจอยส่วนที่มันเครียดส่วนที่มันปวดส่วนที่มันเมื่อยเวลาเราฟังเพลงนะเพลงกาลังเพราะนะหรือกำลังดูหนังนะกำลังสนุกนะเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังข้างหลังเนี่ย้เสียงโทรศัพท์เราไม่ชอบใช่ไหมแต่เสียงเพลงเราชอบใช่ไหมหรือว่าเสียงดนตรีนะแต่ถ้าเกิดหรือเรากำลังดูดูหนังเนี่ยนะมันกำลังสนุกนะ ไอ้ฉากนั้นเป็นฉากที่เราชอบฉากแอคชั่นแต่ข้างหลังเกิดมีเสียงดังเสียงคุยเงซิปกระซาบเสียงโทรศัพท์เราไม่ชอบใช่ไหมแล้วใจเราไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ไปอยู่ที่เสียงดนตรีที่เราชอบหรือไปอยู่เสียงคุยที่เราไม่ชอบหรือเสียงโทรศัพท์ที่เราลงัางคนะาใจเราไปจดจอ่อไอ้เสียงที่เราไม่ชอบทันทีเลยทั้งที่เรากำลังฟังเพลงเพลงก็เพราะหนังก็กําลังสนุกนะ หรือว่าจมาบรรยายเนี่ยหลายคนก็ชอบมันฟังเสียงบรรยายแต่พอได้ยินเสียงโดนเนี่ยไปเลยนะเห็นไหมใจเราเนี่ยมันชอบไปตรวจจอไอ้สิ่งที่ทําให้เป็นทุกข์ใจมันชอบตรวจจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบกายเรานี่นะอะไรที่ไม่ชอบมันยิ่งถอยยิ่งหนีนะอะไรที่ทำให้เจ็บอะไรที่ทาให้ปวดมันชิ่งทันทีไม่ต้องสั่งน้มือมันถอนออกมา จากหนาดึงเท้าออกมาจากเศษแก้วนะแต่ใจนี่นะมันชอบไปจดจ่ออยู่กับเสียงที่ไม่ชอบความรู้สึกที่เจ็บที่ปวดถ้าใจเรานี่นะทำสิ่งตรงข้ามกับที่ทำอยู่นะจะมีความสุขมากเลยอะไรที่ไม่ชอบวางซะอะไรที่เจ็บที่ปวดปล่อยซะนะอะไรที่รำคาญ นะไม่สนนะจะมีความสุขมากเลยแต่ทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นทําไมใจชอบแสบไปหาไปจดจอ่อนะสิ่งที่ทําให้เป็นทุกข์ความหนาวความร้อนความเจ็บความปวดเสียงดังเสียงนินทานะนะนะเวลามีคนมาบอกว่าเนี่ยนะสมศรีเขานินทาเธอนะยังนะมีเพื่อนมาบอกเราสมศรีเขานินทาเธอแนละ้วสมศรีเขาว่าเธอนะ ปฏิกริยาแรของเราคืออะไรเราถามว่าเขาว่าอะไรเขาพูดว่ายังไงรู้แล้วสบายใจมไหมถ้าเราล้วนสมสีเขาว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้โอ้โหโกรธเลยนะก็รู้ว่าไม่ชอบนะก็ยังอยากจะรู้ว่าเขาพูดอะไรถึงเราเขาว่าอะไรเราก็นินทายอะไรเราอันนี้โง่ดิฉลาดนะนะอันนี้ว่าจิตที่ชอบแสาหาความทุกข์จิตที่เขาไปจดจ่ออยู่ความทุกข์นะ อันนี้เพราะทํำไมนี่เป็นอย่างนั้นนะเพราะลืมตัวเพราะหลงนะเพราะไม่รู้ตัวแล้วถ้าเรารู้ตัวถ้ามีสตินะเราจะถอนจิตออกมาจากสิ่งนั้น <c oughs> เสียงกระซิบกระซาบข้างหลังเราก็จะถอนจิตออกมามาสนใจหนังที่กำลังสนุกสนใจเพลงที่เราที่กำลังไพยที่เรากำลังบรรเลงอภัยงไพ่เลาะเขาว่าอะไรเรา เราไม่รู้เขาว่าแต่มีคนบอกว่าเขาว่าเา้ า, เานินทาเร า, เราก็ไม่สนนะเพราะสนไปทำไมนะอยากรู้ไปทำไมนะถ้ามีสติเราจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีสติไม่รู้สึกตัวนี่แม่ทาตรงข้ามฉะนั้นถ้าเราฝึกใจของเรานะให้เหมือนกับกายนะก็คืออะไรที่มันเจ็บอะไรที่มันปวดก็รีบถอนรีบปล่อยรีบวางเวลา ใจเวลากายเราแบกของหนักนะแบกหินเนี่ยนะแบกโต๊ะเนี่ยนะเราจะไม่อยากแบกนานๆนะ่นะกายเนี่ยมันอยากจะวางทันทีเลยจะให้แบกของหนักเนี่ยนะมันไม่ชอบเพราะฉะนั้นเวลาแข่งเวลาแข่งย ก, กน้ําหนักเนี่ยนะนอกจากยกของหนักแล้วเนี่ยค่อยต้องนับเวลาด้วยจับเวลาด้วยใคร แบกได้นานที่สุดเอาชนะไปเลยเพราะอะไรเพราะคนธรรมชาติคนเรานี่กายเนี่ ย, ย น, นะมันอยากจะวางมันอยากจะทิ้งใช่ไหมฉะนั้นขอยัดพิสูจน์ว่ากายเนี่ยเข้มแข็งแค่ไหนนะก็คือจับเวลาว่าแบกหรือยกน้ําหนักได้นานเท่าไหร่นะถ้าเลยกําหนดเวลาไปนะเราสังเกตนักกีฬาเนี่ยพอเลยกําหนดเวลาที่เขาต้องการนะเช่นสิบวินาทีนะเขาทิ้งทันทีเลย ไมไ่ทิ้งแบบไมไ่ทิ้งแบบค่อยๆนะปล่อยมาลงมากระแทกขึ้นตูมเลยโครมเลยนะกายมันไม่ชอบแบกของหนังแต่ใจเป็นไงโอ้มันชอบแบกหลือเกินชอบแบกบชอบจึดเรื่องที่เจ็บปวดเรื่องที่ทําให้โกรธทาให้โมโหผ่านไปสิบ ป, ปียีสิ ป, ปีก็ยังแบกบเอาไว้ไอ้เรื่องที่ยังมาไม่ถึงไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ยังนึกถึงมันก็ชอบนึกถึงมัน นะนึกถึงนะเรื่องหนี้สินเรื่องนึกถึงงานงานการที่ยังค้างคายอยู่นึกถึงการบ้านหรือรายงานที่ยังไม่ได้ทำนะักนะสาษารรุ่นใรหลงตอนนี้บางคนก็กำลังเครียดกำลังวิตกนะกับเรื่องสอบเรื่องรายงานนะซึ่งกว่าจะได้ทำโน่ต้องกลับไปที่กรุงเทพกลับไปทิงเนื่องทงจะททาไอตอนนี้กังวลไปก็ ม, มีประโยชน์แต่ก็ยังกังวล นะบางทีก็นอนกายหน้าผาอันนี้เรียกว่าแบกนะไม่ยอมวางนะถามว่าแบกมีแบกแล้วเป็นทุกข์ไหมทุกข์แล้วทำไมไม่วางกายเนี่ยถ้ามันแบกหรือถือของหนักนะมันอยากจะวางตลอดเวลาเลยใจของเรานะถ้าหากว่าเป็นอย่างกายบางนะคือชอบปล่อยชอบวางของหนักนะจะสบายทันที เอาแล้วก็นะมีสัญญาณเตือนแล้วว่าบท จ, จุดได้แล้วอนะก็อ่านะให้ลองนะสังเกตนะลองสังเกตเวลาใจมันทุกเนี่ยเพราะหนาวเพราะร้อนเพราะเจ็บเพราะปวดเพราะเมือก็ตามเนี่ยนะให้มันสังเกตและเพียงแค่สังเกตหรือรู้เนี่ยนะมันจะช่วยทําให้ใจเนี่ยวางแล้วกลับมาเป็นปกติได้นะ แล้วก็หมั่นมองบวกบ้างนะจะไปสนใจแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นลบนะไอ้สิ่งที่เป็นบวกถึงทําให้ความสุขกับเราก็สนใจว่าแล้วนี่แหละธรรมญาตาเนี่ยมันจะฝึกนะให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วรู้จักมองบวกได้ฝึกจากอะไรฝึกจากความยากลําบากนะฝึกจากความร้อฝึกจากความหนาวฝึกจากความเจ็บความปวดความเมื่อยนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ ใช่ไปฝึกกับความสบายนนะไม่สําเร็จนะฝึกกับความสบายไม่ค่อยสําเร็จนะมันต้องฝึกความยากลาบากเพราะความยากลาบากเนี่ยมันจะบีบมันจะคั้นมันจะผลักมันจะสายให้จิตเนี่ยฉลาดขึ้นนะเพื่อจะได้ออกจากทุกใบวัยนะอ่ะละชาวนิวพลทอนนิสกราบพระ